หลายท่านก็อยากปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันคืออะไรบางทีอาจจะยังไม่ทราบวันนี้ก็ให้ได้ข้อสรุปไปเลยก็คือก็คือปฏิบัติมรัก8นั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมทําอะไรก็อย่าลืมใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปด้วยถ้ายังไม่ได้ใส่สัมมาทิฏฐิอย่าทำํำมันเสียเวลานะบางทีทําแล้วมันติดนิสัยทํามานานมันก็แก้ยากบางทีเราก็เสียดายอีกก็เหมือนเราเสียดายที่นอนนั่นแหละ นอนมานานเนี่ยนะมันมีความสุขกับที่นอนเป็นไงครับพอให้ตื่นเช้ามันก็กลัวจะไม่มีความสุขเ น, ะนาะนี่อย่างนี้ทํานองนี้บางท่านก็ติดโทรศัพท์มีความสุขกับการพูดคุยจนเพ้อเจอไปหมดแล้วพอให้อยู่นิ่งๆแหมจกจะเป็นไงครับมันจะลงแดงแล้วนี่ก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้วนี่ว่ามันติดมันติดนัฉะนั้นของที่ผิดนะอย่าทาอย่าทาบ่อยมันจะติด ให้รู้จักว่ามันผิดแล้วเลิกทำนะนั่งสมาธิก็เหมือนกันนะถ้านั่งผิดมันก็ติดไม่นั่งก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับติดโทรศัพท์อะไรอันเดียวกันบางท่านว่าเอ๊ะติดสมาธิมันเหมือนดีนะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่ดีมันจะกลายเป็นดีไม่ได้ให้เราได้รู้จักอย่างนี้ก็ต้องใส่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเข้ามาเนเป็นการปฏิบัติธรรมใส่สัมมาทิฏฐิมันจะรู้จัก สมาธิที่แท้จริงคืออะไรทำไปทำไมทำเพื่ออะไรทำอย่างไรจึงจะพอดีก็เหมือนเล่นโทรศัพท์นี่แหละนะนะโทรศัพท์มันอะไรอย่างไรทําอย่างไรจึงจะพอดีมันมีวัตถุประสงค์อะไรมีประโยชน์อะไรอย่างไรจึงจะพอดีจึงจะเหมาะสมการรู้จักความพอดีความเหมาะสมเนี่ยนี่แหละคือมักเนะี่ยมักมันจะเป็นลักษณะพอดีพอดีเหมาะสม เหมาะสมทั้งด้านปัญญาทั้งด้านความประพฤติแล้วก็ด้านจิตนะก็คือปัญญาศีลสมาธิทั้งแปดนี่มันสมดุลกันมันพอดีกันมันไม่เลยเถิดกันนะอย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันสมดุลกันมันพอดีกันอันนี้คือลักษณะของมรรคนั่นเอง ทุกท่านจึงควรหัดให้มันสมดุลให้มันพอดีให้มันพอดี น, อดนะทานอาหารก็ให้มันพอดีวิธีจะให้มันพอดีนี่เราต้องมีปัญญาในเรื่องทานอาหารนะใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมเนี่ยอย่างนี้ทุกๆเรื่องก็ประกอบมรรคเข้าไปได้ทั้งนั้นแหละถ้ารู้จักวิธีแล้วนะอันนี้ยุคหลงัลงมาก็โดยมาก พอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมกันอะไรกันซึ่งก็ถูกแล้วส่วนหนึ่งะถูกทีเดียวแต่ว่าบางทีความเข้าใจก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่เยอะเนี่ยก็เลยต้องต้อ ง, องรีบทำความเข้าใจกันมันจะได้ทำถูกนะครับอันนี้พูดไปสองประเด็นแล้วพูดประเด็นที่1ก็คือความหมายของอริยมรรคใช่ไหประเด็นที่2พูดถึงความสาคัญก็ พูดย่อๆต่อไปพูดประเด็นที่3ก็คือแจกแจงองค์ของอริยมรรคซึ่งมีอยู่8เนี่ยก็จะพูดแบบย่อๆพูดแบบย่อๆนะทุกท่านต้องมีทั้ง8เนี่ยเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจของเราประกอบเข้าไปใส่เข้าไปประกอบเข้าไปในทุกๆเรื่องในการเดินยืนนั่งนอนในการทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบเข้าไปเพราะว่าใจนี่มันเป็นประธานอยู่แล้วเป็นเจ้านาย ส่วนกายมันเป็นลูกน้องสั่งให้เราไปทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นเยอะแยะแเราต้องใส่มรรคแเข้าไปในใจใส่เข้าไปให้มันเข้าไปให้มันเข้าไปมีอยู่8ดข้อมีหัวหน้าเขาก็องค์ที่หนึ่งนั่นแหละสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าเป็นองค์ประกอบหลักที่จะนําเข้าไปสู่มรรคแล้วก็เติมองค์อื่นๆเข้าไปเติมข้ออื่นเข้าไปในกิจกรรมต่างๆหัดฝึกเข้าไป แรกแรกการจะหัดฝึกได้ก็ต้องมีเวลาเป็นนิ่งเงียบเงียบนะมีเวลาไปนั่งนิ่งทำคนเดียวน่แหละมันดีกว่าแต่ที่ทำคนเดียวนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อจะหลบไปไหนหรอกเพื่อไปฝึกก่อนฝึกฝึกเพื่อจะได้มีกำลังหรือว่ามีความสามารถเอามาใช้งานได้ดีนะไม่ใช่หลบเพื่อจะหลบตลอดการนะเหมือนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เรียนหนังสือเพื่อจะเรียนหนังสือตลอดเพื่อจะหลบ การทำงานไม่ใช่กันนะชีวิตของเราจริงๆคือการทางานการเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆแต่แน่นอนเพื่อจะมีความสามารถในการทำงานการทำมาหากินให้หาเงินมาเลี้ยงร่างกายของเราให้รอดไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ถูกต้องได้เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนหนังสือก็ต้องมีเวลาแอบไปเรียนตอนเรียนก็ยังไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นพอเรียนเสร็จแล้วก็ค่อยมาทาอย่างนี้ คล้ายๆกันปฏิบัติธรรมที่เราแอบไปสองวันห้าวันเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะหลบนะไม่ใช่เพื่อจะหลบไปโน่นไปนี่แต่เพื่อไปฝึกตัวเองนะบางท่านก็เวลาปฏิบัติธรรมก็มักจะนึกว่าแหมไปหลบไปชาร์จแบตบ้างอะไรบ้างนี่ก็มิจฉาทิฏฐิมันหลงผิดอยู่นะแท้ที่จริงให้เรารู้จักว่าการมีเวลาแอบไปเนะ่ เพื่อไปฝึกนั่นเองฝึกฝึ ก, ฝกวิทยาทธ์อของเราให้มันเข้มแข็งขึ้นฝึกปัญญาของเราให้มันแหลมคมขึ้นจะได้เอามาใช้กับเรื่องเดิมนั่นแหละเรื่องเดิมที่เรายังแพ้มันอยู่นั่นแหละนะนั่นแหละนี่ให้เรารู้จักอย่างนี้ไม่ใช่หลบไปนั่นไปนี่นะหลายท่านก็โอมยครอบครัวนี่มันอุ่นวายแท้ถ้าไม่มีครอบครัวนี่ปฏิบัติสบายนี่ก็มิจฉาทิฏฐิหลงผิดนะ เอเป็นคราวาดนี่มันลำบากแต่แม่เป็นพะาดนี่ปฏิบัติสบายนี่ก็ผิด ผ, ผิดหมดนะปฏิบัติสบายมันอยู่ตรงมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติสบายถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายทั้งนั้นมันหลงทั้งนั้นแหละนะาอย่างพวกเราคิดก็ว่าแม้อยู่หลายคนอยู่ที่บ้านนี่ปฏิบัติไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายถ้าไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยนะไม่มีบ้านไม่มีอะไรคงจะสบายลองดูไหม ลองดูไปนั่งใต้ต้นไม้ดูนะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะสบายไหมครับหนักกว่าเดิมมเนยะหนักกว่าเดิมแต่มันคิดนะ่ยมันชอบคิดอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกมิจฉาทิฏฐินะทุกท่านก็เลยต้องตามมันให้ทันนะไม่งั้นมันจะหลอกเราไปซ้ายไปขวาเรื่อยเนะี่มันจะทําให้เราซ้ายหันขวาหันไปไม่ได้รับประโยชน์ต้องมีความรู้มาบอกนะเราแน่นอนต้องมีเวลาหลบไปนิ่งๆไปทําสติทําสมาธิ เพื่อฝึกฝึกมัคจะได้เอามาใช้จะได้เอามาศึกษาต่อไปพัฒนาต่อไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูองค์ประกอบของมัคซึ่งมีอยู่แปดองค์ประกอบอันที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องก็มีอยู่สองระดับด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่เป็นฐาน จะต้องมีความเห็นที่ตรงถูกต้องระดับที่เป็นพื้นฐานพื้นฐานก็คือความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหนักแน่นในหลักเหตุและผลทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วดีชั่วอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทา น, นี่คือหลักสัมมาทิฏฐิในขั้นพื้นฐานบุญมีบาปมีผลของบุญก็คือสุขทุกข์นรกสวรรค์ก็มี นะตามเงื่อนไขนะถ้าจะเอานารกออกไปก็ต้องเอาความโกโรธออกไปด้วยแต่ความโกโรธก็มีอยู่จะไม่ให้นรกมันมีก็ไม่ได้นะความอยากความต้องการอยากได้นั่นได้นี่ไม่รู้จักพอก็มีอยู่เปรตก็ต้องมีอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่ผลของความอยากเท่านั้นเองความหลงนั่นหลงนี่ก็มีอยู่คู่โลกเราก็เห็นอยู่อบายก็ต้องมีด้วยนะพวกสัตว์อบายก็ต้องมีด้วยนั่นแหละ ก็เป็นอย่างนั้นตามเงื่อนไขาตามเหตุตามปัจจัยให้เรารู้จักบาบุญคุณโทษสุขทุกข์ต่างเนี่ยอยู่ในใจของเรานี่แหละนะไม่ได้อยู่ไกลหรอกให้มีอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุหลักผลดีชั่วต่างๆอยู่ที่กรรมนะนี่เป็นขั้นที่หนึ่งมงคลเอาว่ามงคลสูงต่าอยู่ที่กรรมให้เป็นคนหนักแน่น มงคลสิ่งดีงามเนี่ยอย่าให้มันไปอยู่กับเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์ดีๆก็แม้เบอร์ดีแล้วเกินอันนี้ก็ผิดเห็นผิดเห็นเบอร์เป็นดีอันนี้โง่กว่าเบอร์อีกนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะบางคนก็วันดีอันนี้โง่กว่าวันอีกนี่ก็เวลาดีนี่ก็ผิดอีกนะผิดหมดแหละผิดหมดต้องชี้บอกได้ว่าเห็นอย่างนี้คือผิดเราจะได้เลิกได้ถ้าไม่บอกเนี่ยมันจะมันจะไม่เลิกเราก็ต้องรู้จัก นะอย่างนี้ทํานองนี้แมมวันนี้มันวันดีนะวันวันมงคลนะนี่ก็ผิดเห็นผิดจะต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันแค่พิธีกรรมเป็นแค่ของทางลกโล ก, โลกเป็นสมมุติเฉยๆไม่ของดีจริงดีจริงมงคลจริงมันอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความอดทนเนี่ยมงคลอยากได้มงคลก็อดทนฝืนรู้จักรอรู้จกักให้ความเคารพผู้อื่นพวกนี้เป็นของดีงามเป็นมงคลนีอย่างนี้ มงคล38มตั้งเองนี่พวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานสัมมาทิฏฐิพื้นฐานต้องมีเลยนะอันนี้ต้องมีเป็นพื้นเพราะว่าเราจะได้งดเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งอวมมงคลทั้งหลายไม่อย่างนั้นแล้วใจของเรามันก็จะไม่ดีงามมันไม่พร้อมมันไม่เป็นมงคลมันไม่เจริญนะเพราะเราไม่ได้เติมให้มันนะเราก็ต้องรู้จักอวมมงคลหรือสิ่งไม่ดีแล้วก็ละมันไปเสีย สิ่ดีงามก็เติมเข้ามาจิตใจมันก็จะได้ดีงามสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยนะอย่าไปเติมอวบมงคลให้แก่ตัวเองเพราะของเก่ามันก็เยอะพออยู่แล้วไม่ต้องไปเติมเราอยากจะให้ตัวเองมีคุณสมบัติที่ดีงามมีเครื่องประดับต่างๆที่สวมใส่เข้ามาเนี่ยโดยหลักการเราก็รู้กันอยู่มันต้องอาบน้ําก่อนต้องอาบน้ําจึงค่อยแต่งตัวนะ พวกคุณธรรมทั้งหลายก็เหมือนเครื่องแต่งตัวพวกศีลเป็นต้นนี่เหมือนเครื่องแต่งตัวนะหลายท่านนี่โอ้ยไปปุ๊บก็บรักษาศีลเลยนะก็เหมือนกับเรานี่นะเหงื่อใครเต็มที่เลยสศกปรกรกลุงดังสวมเสื้อผ้าอะไรไปไงครับใส่เครื่องประดับเลยเสร็จแล้วก็ทออก้องย่องก็ห้อยใส่ตุ่มหูเพียบแต่ว่าไม่ได้อาบน้ํามันจะเกิอดอะไรขึ้นก็บแบบนี้มันก็นั่นแหละมันก็เละตุ่มเปะนั่นแหละ น, นล ะ, นะคล้ายๆอย่างนั้น ทุกท่านก็เลยต้องรู้จักให้ดีเนี่ยสัมมาทิฏฐิในขั้นพื้นฐานมันก็จะเหมือนกับการชําระร้างร่างกายของเรานั่นเองเพื่อเตรียมใส่เครื่องประดับที่ดีงามทั้งหลายนะอย่างนี้ต้องเอาสิ่งสกโปกออกไปก่อนนะจึงสวมใส่เสื้อผ้าได้จึงจะใส่เครื่องประดับได้โดยเฉพาะธรรมะชั้นสูงนี่เป็นเครื่องประดับระดับที่แม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมเขาก็ยังยอมรับนะ ศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์ชั้นเลิศทีเดียวนะเราก็ต้องชำระสิ่งไม่ดีออกไปสะก่อนชำระสิ่งต่างๆออกไปอย่างนี้นะนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่งระดับพื้นฐานเรียกว่าความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วถูกผิดสูงต่าดําขาวอยู่ที่กรรมต่าก็อยู่ที่กรรมสูงก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่เหตุผลเนี่ย นะต่อไประดับที่สองสัมมาทิฐิระดับที่สองก็คือความรู้ที่ตรงกับหลักสัจธรรมตรงกับหลักความเป็นจริงที่เป็นมรรคจริงๆก็คือขั้นที่สองที่เป็นมรรคนะที่เป็นมรรคที่พาไปนิพพานจริงๆที่จะละกิเลสได้จริงๆก็คือขั้นที่สองที่จะเป็นเครื่องประดับสูงอย่างแท้จริงเป็นขั้นที่2แต่ขั้นที่1เหมือนขั้นเตรียมการอย่างที่บอกเมื่อกี้แบบ เราจะใส่เครื่องประดับตกแต่งต่างๆมันก็ต้องชำระล้างร่างกายซะก่อนจะเอาอะไรมาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องชำระจิตให้ดีนะอันนี้ขั้นที่2ก็เป็นความรู้ที่ตรงสอดคล้องกับหลักสัจธรรมหลักความเป็นจริงซึ่งหลักสัจธรรมก็คืออริยสัจ4ี่นั่นเองต้องรู้หลักสัจจะทั้ง4เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิระดับสูง ระดับที่เป็นโลกุตระระดับที่เหนือโลกระดับที่เราจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนกับโลกไม่ต้องมาดีใจไปกับโลกไม่ต้องมาเสียใจไปกับโลกเขาไม่ต้องสุขไปกับโลกไม่ต้องทุกข์ไปกับโลกให้เป็นอิสระไปให้มีความสุขอยู่กับตัวเองแบบอิสระไม่ต้องพึ่งอิทธิพลของโลกทำให้เป็นสุขหรือทำให้เป็นทุกข์อีกต่อไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ อันนี้คือสัมมาทิฐิระดับที่2ระดับสูงเลยระดับโล ก, กุตระนะระดับโล ก, กุตระก็คือความรู้ตรงกับสัจจะทั้งสีก็มีสีข้อทุกท่านคงจำได้ก็มีทุกขสัจนะทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกเนี่ยต้องรู้จักทุกว่ามันเป็นทุกข์เห็นทุกว่าเป็นทุกข์ข้อเท็จจริงของมันนะก็คือขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุก อุปาทานขันตังห้าเป็นตัวทุกขตัวทุกก็คือตัวที่มันว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนที่มันว่างคือมันเต็มมันหลายชั้นนะที่มันว่างคือมันเต็มคือมันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแล้วมันจึงไม่มีที่ว่างให้ความเที่ยงความเที่ยงก็เลยไม่มีไม่มีก็เลยว่างว่างจากความเที่ยงนะว่างจากความสุขคือมันเต็มไปด้วยทุกแล้ว ทุกชิ้นส่วนมันทุกหมดเลยมันทุกร้อเซ์แล้วมันจึงไม่มีที่ว่างให้กับความสุขมันเลยว่างจากความสุขนะมันว่างจากตัวตนเพราะมันเต็มไปด้วยของที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเต็มไปด้วยของที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครมีอํานาจบังคับสิ่งนั้นๆได้อยู่แล้วมันเต็มไปด้วยของเหล่านี้ของเหล่านี้เต็มไปแล้วร้อยเซแล้ว มันไม่มีเหลือให้ตัวตนอยู่ตัวตนมันไม่มีมันเป็นสมมุติเฉยๆนะ ang, มันก็ว่างมันศูนย์และวมันศูนย์คือมันมันเต็มร้อยไปแล้วทางนาึ่งเต็มร้อยไปด้วยของไม่เที่ยงไอ้ของเที่ยงมันก็ศูนย์ศูนย์ศูน ย, น ย, น ย, นย์อันนะก็ให้ไปดูให้เห็นถ้าดูแล้วเห็นอย่างนี้ก็ได้ว่าเห็นทุกว่าเป็นทุกเห็นของไม่เที่ยงเป็นของมีเที่ยงเห็น ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นทุกข์เห็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่ใช่ตัวตนก็ไปเห็นบ่อยๆเนี่ยกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราฝึกกันเช่นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่เต็มไปด้วยอนิจจารักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นกระบวนการฝึกเพื่อที่จะให้เห็นเห็นทุกข์นั่นเอง รู้จักทุกว่าเป็นทุกขเพราะทุกข์มันเป็นทุกอยู่แล้วมันไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็เหมือนกับบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์นั่นแหละผลของบุญก็เป็นผลของบุญผลของบาปก็เป็นผลของบาปตามที่มันเป็นแต่ว่าถ้าเป็นบุญบาปเป็นดีชั่วนี้มันระดับพื้นฐานส่วนระดับสูงเนี่ยมันเหนือขึ้นไปคือบุญมันก็ไม่เที่ยง บาปมันก็ไม่เที่ยงสุขที่เป็นผลของบุญมันก็ไม่เที่ยงมันก็ศูนเหมือนกันมันว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขอันคงที่คงทนและว่างจากตัวตนสัตบุคคลมันว่างเหมือนกันนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่ระดับสูงมันเป็นอย่างนี้นะนี่ระดับสูงก็จะยากสักนิดหนึ่งทุกท่านก็เลยต้องไปฝึกไปฝึกให้มันเห็นให้มันรู้จักถ้ารู้จักก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ เขาก็เลยมีวิธีฝึกตั้งแต่พื้นพื้ น, นที่หลายท่านมาฝึกเช่นเน้นมาทางวิปัสสนารู้จักรูปรู้จักนามเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปในนี้ว่าที่ฝึกนี้ไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรนะฝึกเพื่อให้มันรู้จักรู้จักทุกขว่ามันเป็นทุกขรู้จักมันเป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่แต่เดิมเราไม่รู้จักเหมือนบุญบาปก็มีอยู่แล้วผลของบุญผลของบาปก็มีอยู่แล้ว อยู่กับเรานั่นแหละเรานั่งทับนอนทับมันอยู่แต่เราไม่รู้เราก็มาปฏิบัติปฏิบัติคือคือทําให้มันรู้พิจารณาให้มันรู้นะทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ขันห้าก็มีอยู่แล้วเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงอยู่แล้วเต็มไปด้วยของเป็นทุกข์อยู่แล้วเต็มไปด้วยอนัตตาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยมาปฏิบัติปฏิบัติให้มันรู้รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เท่านี้แหละนะอันนี้นี่คือ สัจจะข้อที่1ทุกขอริยสัจถ้าเห็นทุกเป็นทุกนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐินะทุกท่านก็เลยต้องไปฝึกนะฝึกอย่าฝึกเอาอะไรฝึกให้รู้ตามที่มันเป็นเท่านั้นเองฝึกให้รู้จักรู้จักของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปฝึกเอาอะไรนะบางคนฝึกเอาสมาธินี่ก็ผิดนะฝึกเอาสุขนี่ก็ผิดฝึกเอาสงบนี่ก็ผิดผิดหมด เพราะมันไม่ถูกนะเราก็ต้องเปลี่ยนความเห็นซะ ก, ก่อนให้ฝึกเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนความเห็นในการฝึกซะเราฝึกให้มันรู้รู้ว่าเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงในนั้นน่ะมีอะไรบ้างล่ะของไม่เที่ยงเน่ก็ดูสิก็ดูสุขก็ได้ก็ให้มันรู้ว่าสุกเนี่ยมันเกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่หมดไปศูนย์ไปไม่เหลือ เราฝึกให้มันได้ความรู้ถ้าอยากรู้ว่าได้ความรู้อยังจากห้องฝึกก็ออกมาจากห้องฝึกในห้องฝึกนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเต็มไปหมดแล้วมีแต่ของที่สลายไปหมดไปสิ้นไปพอออกมานอกห้องก็มาดูเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะแอบอยู่ในห้องใช่หไหมเราฝึกให้มันได้ความรู้จะได้เอามาใช้เพราะตอนนี้มันก็มีแต่ทุกเต็มไปหมดแล้วก็มามองดูหน้าสามีมันสูญไปไหมคนนี้มันหมดไปไหมถ้ามันรู้จักหมดอันนี้ก็เรียกว่า มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิต้องมาเช็คด้วยนะต้องมาเช็คด้วยบางท่านฝึกได้แต่ในห้องหายหมดเลยค่ะในห้องไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งความรู้ก็หายหมดหลับไปแล้วอันนี้มันเดี่ยงแน่นอนมันไม่ได้ปัญญาแล้วอย่างเนี้นะมันต้องให้มันได้ปัญญาว่าของมันรู้จักหมดนะเช่นเราดูลมหายใจก็ดูโอ้มันหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจเข้าดับไปหายใจออกเกิดขึ้นหายใจออกดับไป ดูบ่อยๆแล้วก็ใส่ปัญญาเข้าไปเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อไปเนาะเราหายใจพิจารณาดูแล้วเออมีวันหนึ่งเนาะหายใจไม่เข้าก็มีเหมือนกันหายใจไม่ออกก็มีเหมือนกันนะตอนนี้มันมีลมมีลมเข้าเกิดขึ้นมีลมเข้าดับไปมีลมออกเกิดขึ้นมีลมออกดับไปแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่กลับไปกลับมาอยู่นี้มีวันหนึ่งเหมือนกันที่มันสิ้นลมคือมันหมดลม หมดทั้งลมเข้าหมดทั้งลมออกเอ die, เออันนี้ใช้ได้รู้จักแล้วของมันรู้จักหมดลมหายใจนี้มันรู้จักหมดที่เราหายใจไม่ใช่เพื่อจะหายใจนะเดิ๋ยวฉันหายใจไปเรื่อยล่ะค่ะมันไม่หมดเลยเหรอไม่หมดค่ะหายใจออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกอยู่นี่แหละอย่างนี้ไม่ได้ปัญญาเราต้องการให้มันได้ปัญญาให้มันรู้จักว่ามันรู้จักหมดรู้จักไหมเหมือนเดินยกกลมเราเดินไปเถอะเดินไปซ้ายก็ขวาขวาก็ซ้ายเดินไป มีอะไรหมดบ้างไม่รู้ค่ะดิฉันจะหมดแรงอยู่แล้วค่ะทําไมมันขนาดนั้นให้มันได้ปัญญาสับ้างสิคนเรามันคิดเองไม่ได้หรือไงแต่คิดเองไม่ได้เราก็ฟังพระพุทธเจ้ากันไปเดินแล้วก็ดูมันเอีมันมีอยู่นะตอนนี้มันเดินได้มีหรือเปล่ามันจะเดินไม่ได้มีบ้างไหมมันก็ต้องมีนะมันของมันมีทําำให้มันไม่มีไม่ได้เราก็ต้องรู้จัก จะได้รู้จักก็ ค, คนเดินไม่ได้ก็มีเยอะแยะในโลกใบนี้ก็รวมเราด้วยอีกคนหนึ่งนั่นแหละมันอย่างเนี้ยคนหมดลมก็มีเยอะแยะเราไปงานศพเขามาตั้งหลายคนแล้วทําไมจึงจะหลงขนาดนั้นคนเรานั่นแหละมันเป็นทุกข์สัตย์แล้วนะของรู้จักหมดนะมันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละมันของรู้จักหมดแผ่นดินจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนมันก็หมดทั้งนั้นแหละบ้านเมืองจะใหญ่โตขนาดไหนเหมือนจะไม่รู้จักพังมันก็เหลือแต่ซากซากอนิจจง และทราบความไม่รู้ของคนที่ว่ามันจะไม่หมดนั่นแหละและคนที่ว่ามันไม่หมดมันก็หมดนั่นแหละให้เรามาเรียนประวัติศาสตร์อยู่นั่นนะอย่างนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติมันนั่นเองให้เราได้รู้จักไม่มีสิ่งใดไม่หมดนะเพราะมันเป็นของสิ้นไปหมดเลยเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยไม่มีสิ่งใดคงทนนะมันเป็นทุกหมดเลยนะไม่มีสิ่งใดเป็นของใครเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วจนถึงทุกวันนี้แหละและตัวนั้นก็คือตัวเรานี้แหละ และอื่นๆด้วยทั้งคนอื่นทั้งสิ่งของทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราก็มาฝึกเห็นไหมเนี่ยการฝึกปฏิบัติก็คือทำให้มันเกิดความรู้ขึ้นนี่แหละนี่ยมาเดินจงกรมเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่ามีแต่ของรู้จักหมดนะเดินไปดูซิเราได้อะไรบ้างได้รู้อะไรบ้างว่ามันรู้จักหมดในนี้ลมหายใจเนี่ยมีวันหมดลมไหมมีนั่นแหละนั่นแหละเรารู้ถูกแล้วนะ ต่อไปเราได้ความรู้แล้วเราก็เอามัดใชา้เห็นหน้าสามีปุ๊บเป็นไงรู้จักหมดลมไหมไอ้คนนี้รู้จักหมดเหมือนกันเห็นมาน้อยเป็นไงมันรู้จักหมดลมไหมรู้จักหมดเหมือนกันเนี่ยต่อไปเราก็สบายแล้วถ้าสามีหมดลมเราก็สบายเพราะเรารู้จักแล้วพอเข้าใจไหมแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่ามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็จะห่างไกลาจากความทุกข์ได้ห่างไกลาจากกิเลสต่าง เพราะว่าของรู้จักหมดลมเนี่ยเราก็ไม่ไปยึดแล้วหรือเรายึดบ้างก็เนื่องจากกิเลสเราก็สอนตัวมันม่าแกจะไปยึดทําไมไอ้ของรู้จักหมดลมเนี่ยนะเดี๋ยวก็พังแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเผาแล้ว น, นี่ไหมมันก็ค่อยๆสอนตัวเองค่อยๆถอนกิเลสออกมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยมันก็ไม่ถอนสักทีนี่การปฏิบัติมักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านได้ค่อยๆหัดค่อยๆฝึกตัวนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ประกอบสัมมาทิฏฐิเข้าไปในการนั่งสมาธิประกอบเท่าที่เราพอประกอบได้เราไม่ได้ดูอารมณ์หายใจหรอกเราไม่ได้ดูเอาผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้ดูเอาเดินยืนนั่งนอนเราดูเอาสัมมาทิฏฐิรู้ว่ามันมีแต่ของรู้จักหมดเท่านั้นแหละดูลมหายใจให้รู้ว่าลมหายใจมันรู้จักหมดเท่านั้นเองดูร่างกายเดินยืนนั่งนอนให้รู้ว่ามันรู้จักหมดในร่างกายเนี่ยทั้งกายนี่แหละหรือแรงที่เดินอยู่เนี่ย มันมีวันหมดแรงไหมหมดบางท่านก็บอกว่าหมดแรงแล้วค่ะดิฉันหมดแรงเข้าต้มก็ไปกินข้าต้มค่ะแล้วก็มีแรงใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปกินเข้าต้มค่ะก็มีแรงอีกค่ะเป็นไงครับนี่ยังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงก็หมดทั้งข้าต้มหมดทั้งแรงอะไรนะมันก็มีวันสิ้นแรงจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ตาของเรามองเห็นอยู่นะเห็นอยู่มันก็อ้าวเดี๋ยวเห็น เห็นเกิดขึ้นเห็นก็ดับไปเห็นเกิดขึ้นเห็นก็ดับไปมีไหมวันหนึ่งที่มันจะไม่เห็นเลยอะมีหรือเปล่ามันก็มีอีกเหมือนกันนะมันก็ดับเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ม, มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นของที่รู้จักหมดรู้จักสิ้นเงินเรานี่หามามันก็หมดไปหามาได้เอาวแล้วสักหน่อยก็ใช้มันก็หมดไ ป, าาไดาดไปบางคนก็พยายามทําบัญชีครัวเรือนนะก็อา้าว ทำมันชีได้มาเยอะหน่อยนะใช้ไปน้อยหน่อยนะได้มาหนึ่งใช้ไป80เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ20นะ่ยกว่าไปนะถ้าเราเหลือทุกวันทุกวันอย่างเนี้นะไปเรื่อยเรเราคงจะเหลือเยอะหรอกใช่ไหมผิดทำไมผิดเพราะมันไม่ถูกนะเพราะของรู้จักหมดจะให้มันเหลือได้ไหมไม่ได้นี่แค่นั้นแหละนะฉะนั้นให้เรารู้จักว่านี่มันของรู้จักหมดนะ ถึงเราจะใส่เข้ามายังไงมันก็หมดเพราะมันเป็นของรู้จักหมดนะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะเนี่ยให้ทุกท่านได้ฝึกเริ่มต้นจากเนี้ยตัวเราเนี่ยจากร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังต่างๆลมหายใจเดินยืนนั่งนอนเนี่ยพิจารณาเข้าไปให้มันเห็นชัดว่าเป็นของรู้จักหมดรู้จักสิ้นไปความสุขเกิดขึ้นมันก็ หมดเหมือนกันไม่อยู่นานหรอกไม่อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีที่ไหนนะให้เราได้ความรู้ตรงนี้และเอาความรู้นี้มาใช้ไม่ได้เอาลมหายใจมาใช้เอาความรู้จากลมหายใจรู้จักหมดมาใช้พอความสุขเกิดขึ้นก็เอาความรู้นี้มาใช้ว่าสุขก็รู้จักหมดเอาเงินมาเงินมาก็เอาความรู้นี้มาใช้เงินก็รู้จักหมดตำแหน่งหน้าที่ก็รู้จักหมดอะไรอะไรก็รู้จักหมดทั้งนั้นแหละ มันเป็นเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงอย่างนี้ละ่ะนี่แหละคือปัญญาเราต้องการตัวนี้ต้องการอย่างนี้ทุกท่านไปฝึกก็เลยต้องฝึกนะต้องฝึกให้มันได้ปัญญาอย่าฝึกให้มันหลงนะบางท่านก็ไปฝึกได้อะไรก็ยังไม่ทราบออกมาก็งงๆอยู่ดีไม่ดีจะไม่รู้เรื่องอะไรข้างนอกเลยนี่ก็เพียรนะนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนี่เราไปเรียนเพื่ออ อ, อกมาทํางานใช่ไหมเราก็ต้องดูว่างานเนี่ยเขาต้องการ อาชีพไหนเราก็ไปเรียนอาชีพนั้นแล้วก็ออกมาทำงานคล้ายๆกันนะอย่างนี้ชีวิตของพวกเรานี่ก็มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนคนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไปเรียนเรื่องนี้ซะเรียนเรื่องของที่รู้จักสิ้นไปหมดไปเรียนให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่คงที่ไม่คงทนมันบีบมันคันนะเรียนให้รู้จักของสิ่งต่างๆว่า มันมีแต่ความขัดแย้งมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของอะไรสักอย่างเราไม่อาจบังคับควบคุมอะไรต่างๆได้นะถ้าเราบังคับควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์หรืออื่นๆอะไรได้แล้วสิ่งต่างๆมันก็คงจะไม่ติดขัดไม่อะไรต่างๆแม้กระทั่งในลู่จงกรมนี่มันก็มีข้อติดขัดขัดแย้งถ้าเป็นตามใจเราคิดก็ว่าเดินจงกลมไปก็ อุตสาขยันเดินก็ขอให้ขยันทั้งชั่วโมงนะคงไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรแต่มันก็บงังคับไม่ได้เราก็เดินไปแป๊บเดียวก็ขี้เกียจแล้วเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะฮะอุปสรรคเราก็ต้องฝ่าไปาก็ต้องรู้จักมันเดี๋ยวก็ง่วงนอนอีกเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นเยอะแ ย, ยะมากมายมันก็มีอุปสรรคขัดขวางหลายประการมีติดขัดเยอะแย ะ, ยะเราก็ให้ได้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ความรู้จากที่เราไปทำเนี่ย แอบทำนี่แหละให้มันได้ความรู้ว่าเออมันมีแต่ของติดขัดขัดแย้งกับใจเราคิดนะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะใจเรา children, มันยังไม่เป็นธรรมะมันก็เลยขัดแย้งกับใจเราทั้งๆที่มันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นแหละในดูจงกลมก็มีแต่ธรรมะนั่งก็มีแต่ธรรมะที่บ้านเราก็มีแต่ธรรมะคือมันเป็นทุกข์สัตย์นั่นแหละเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ตอนนี้มันขัดแย้งอยู่เพราะใจเรามันไม่เป็นธรรมะเราก็เลยมาฝึกให้มันเป็นธรรมะคือให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิ <Denis> เป็นสัมมาสังกัปปะนี่พอเข้าใจไหมเราก็แอบไปฝึกซะไปฝึกในรูปจงกรมแอบดูมันนี่มันก็ไม่เหมือนที่เราคิดว่ามันขัดแย้งเราตลอดเลยเว้ยถ้ามันเหมือนที่เราคิดแล้วเรามังคับมันได้มันก็ต้องสงบปุ๊บเลยเราเดิน2อก้าก็ต้องสงบเลยแต่นี่เดินไปตั้งหลายวันแล้วก็แหมนะเดี๋ยว3วันดี4ี่วันไข้นะส่วนใหญ่จะไข่ซะมากกว่าใช่ไหมไม่ค่อยมีวันดีเท่าไหร่เอ๊ะมันอย่างงี้นี่เนาะมันธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้ พอได้ความรู้นี้แล้วก็เอามาใช้ที่บ้านที่บ้านเรามีอุปสรรคขัดขวางเยอะไหมครับรแผนกเตะตัดขามีเยอะไหมยเยอะเราก็เข้าใจแล้วนี่โอ้ยธรรมชาตินะในรูจงกลมเนี่ยขณะเราอยู่คนเดียวยังมีแผนกเตะตัดขานะคือแผนกขี้เกียจก็มาตัดขาเรานะอย่างเนี้ไปที่ทํางานมีแผนกเตะตัดขาไหมครับมีอีกเหมือนกันโอ้เราได้สบายแล้วได้ความรู้แล้วนะพะ เดินไปปุ๊บเข้าที่ทํางานเราก็แผนแกเตะตัดขามาแล้วไอ้เจ้านายเอ้ยแง่สบายเนี่ยพอเข้าใจไหมแบบนี้เราก็บริหารไปบริหารให้มันเดินมักรเจริญมักรของเราไปไม่ใช่เจริญเดินจงกลมเห็นไหมมีอุปสรรคคือขี้เกียจหรือมันไม่ได้สงบอย่างที่ใจเราคิดเราก็เจริญมักรไปคือเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะของเราไปมีศีลสํารวมระวังของเราไป ไปที่ทํางานก็แบบเดียวกันเลยเหมือนรูปจงกลมเลยเจอเจ้านายแผนกติดขัดมาเราก็ทํางานของเราไปมีศีลของเราไปสํารวมระวังของเราไปเหมือนกันไหมครับได้มรักไหมก็เหมือนกันคือปฏิบัติเท่ากันนี่พอเข้าใจไหมแบบนี้นะแต่บางท่านนี่ไม่เท่านะโอ้อยู่ที่ทํางานดิฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะอยู่ที่ที่วัดนี่ปฏิบัติเต็มที่เลยค่ะอันนี้ยังโง่อยู่ยังไม่รู้เรื่อง ยังไม่รู้เรื่องการปฏิบัติที่ถูกนะพอเข้าใจไหมถ้าปฏิบัติที่ถูกนี้มันได้ทุกที่มันได้ตอนมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตอนมีมรรคแต่แน่นอนอย่างที่ผมเกิดเมื่อกี้ก็คือที่เราออกไปนี้เราไปเหมือนเข้าโรงเรียนนะที่เข้าโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะอยู่ในโรงเรียนแต่ที่สมบูรณ์หรือว่าที่ถูกต้องคือออกมาทำงาน หาเลี้ยงชีวิตให้มันรอดนั่นแหละนะที่เราแอบไปปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตอะไรต่างๆบริหารให้มันรอดนี่แหละถ้ารอดคือใจมันไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆแล้วก็ยังเดินมรรคได้นี่แหละเรียกว่าปฏิบัติจริงแล้วอันนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อ่อันนี้ฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมสรุปแล้วอย่าลืมหาเวลาเข้าโรงเรียน นะก็คือแอบทํานั่นแหละสรุปที่สรุปนี้ก็คือจะให้แอบทํานั่นแหละแต่ต้องบอกเหตุผลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไปทำนะแอบเหมือนกันแต่แอบไม่ได้ทําแอบหลับนะหลายท่านก็เหมือนกันนะเวลาเข้าไปปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปเรียนหนังสือหรือว่าไปฝึกปฏิบัติธรรมก็ไปเหมือนแอบหลับพอแอบหลับเสร็จแล้วออกมาข้างนอกก็เหมือนตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้โหมาเจอความจริงเข้าไปไงครับ ระเบิดลงไปไม่เป็นแล้วเพราะเมื่อกี้ไปแอบหลับอยู่ไงนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้เรารู้จักเราเข้าไปปฏิบัติในสำนักปฏิบัติ ต, าตา่างๆหรือไปวัดตา่ตางๆนี่ดีมากแล้วให้เราปฏิบัติให้มันเกิดความรู้ขึ้นพอเกิดความรู้ก็เอาความรู้นั้นมาใช้มาฝึกต่อไปนี่นะเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นตอนนี้พูดถึงหัวหน้าก่อน สัมมาทิฏฐิระดับที่สองก็คือความรู้ที่ตรงสอดคล้องกับหลักสัจจะหลักสัจธรรมอันที่หนึ่งก็คือทุกขสัจแปลว่าของที่มันว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนของนี้ก็คือขันห้านี่เองนะโลกของเราก็เลยเต็มไปด้วยทุกข์ก็คือเต็มไปด้วยขันห้าตัวเราก็ขันห้าตัวคนอื่นก็ขันห้าม้าน้อยก็ขันห้าแมวก็ขันห้าเทวดาก็ขันหพรหมก็ขันห้า มันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเป็นของที่ต้องรู้จักหมดทั้งนั้นทุกชีวิตนะรู้จักหมดทั้งนั้นแหละชีวิตเราก็รู้จักหมดชีวิตสามีชีวิตลูกชีวิตแมวชีวิตม้าก็รู้จักหมดทั้งนั้นมันเป็นทุกข์พอหมดแล้วก็ได้ชีวิตใหม่หมดแล้วก็ได้ชีวิตใหม่หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยหมุนวนกันอยู่อ่าอย่าลืมพากันไปดูไปสังเกตให้เห็นทุกข์ต่อไปข้อที่2ก็เห็นเหตุเกิดทุกข์ ทุกขะสมุทยัยต้องรู้จักเหตุเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออันนี้มันเป็นเหตุให้จิตใจของเราทะเยอทะยานมันอยากมันดิ้นไม่รู้จักพออยู่ตรงนี้ก็ไม่พอสงบเท่านี้ก็ไม่พอฟุ้งซ่านเท่านี้ก็ไม่พอได้เท่านี้ก็ไม่พอนั่นแหละในลูปจงกลมก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันจะทําให้เราต้องมาเดินจงกลมใหม่อีกรอบนึงเพราะมันไม่พอ มันเดินลู่นี้แล้วมันก็ไม่พอเพราะอะไรมันยังไม่พอเดินจงกรมไปไม่สงบสักทีมันก็ไม่พอไม่พอใจมันต้องสงบมันก็พยายามเดินเดินไปแล้วมันสงบอีกนิดหน่อยมันก็ไม่พออีกต้องสงบเพิ่มขึ้นได้เท่านี้มันก็ไม่พอต้องเดินใหม่ไปเรื่อยๆเราต้องมาเดินอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันไม่พอเหมือนเราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรครับมันไม่พอมันยังไม่พอยังไม่พอยังไม่ดีพอยังไม่สงบพอ นะนี่มันเป็นอย่างนี้มันยังไม่พอมันยังอยากได้เพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนั่นแหละคือตัณหาความอยากอันนี้จะทำให้เราได้ชีวิตมาใหม่นี่อย่างนี้ทำตองนี้นะตอนนี้หลายท่านก็แหม่ฟังธรรมะไปก็โอ้นานเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ชักจะพอแล้วด้านธรรมะแต่มันไม่พอจริงเพราะมันไม่พอด้านอื่น คือมันมันนึกถึงที่นอนแล้วรู้สึกว่าเมื่อคืนนอนไม่พอมันว่าอยางนั้นอยากไปนอนแล้วแบบนี้มันก็จะได้นอนวนอยู่นะสักหน่อยมันก็แหมอยากกินแล้วมันกินยังไม่พออยากทำนั่นทำนี่มันเหมือนมียังไม่พออีกหลายอย่างคือมันไม่พอมันไม่พอดีกับปัจจุบันหรือว่ามันไม่ยอมรับไม่อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่มันก็มีความอยากเข้ามา อยากจะทำนั่นต่อทำนี่ต่อถ้าดีเท่านี้มันก็จะอยากต่อถ้าไม่ดีเท่านี้มันก็จะอยากต่ออีกไปเรื่อยของมันนะเลิกเรื่องนี้มันก็จะไปเรื่องอื่นเลิกเรื่องนี้ก็ไปเรื่องอื่นเราต้องชี้บอกมันว่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดนี้คือตัณหาตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกเกิดการเ <hões, S 1> วียนว่ายตายเกิดหมุนวนเกิดนู่นเกิดนี้เยอะแยะ เกิดเครียดเกิดวิตกกังวลอีกลหลายประการเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายนะอย่างนี้ตัวนี้มันจะหมดไปได้โดยการรู้จักว่าไม่ว่าอะไรก็ตามในปัจจุบันเนี้ในปัจจุบันนี้มันเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของหมดไปสิ้นไปถึงแม้จะอยากได้อันอื่นไปได้อันอื่นมาอันอื่นคืออะไรครับอันอื่นก็ต้องหมดไปสิ้นไปเหมือนเดิมถึงแม้ไปได้อีกอันนึงมาอันนึงอีกอันนึงที่ได้มาอีกเป็นยัครับ ก็ต้องหมดไปสิ้นไปแม้ไปได้อีกอันหนึ่งมาอีกอันเดิมที่ได้มาก็ต้องหมดไปสิ้นไปให้รู้ไปทุกอันอย่างนี้นะไอความอยากทั้งหลายเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปวิธีละความอยากก็คือรู้จักว่าสิ่งต่างๆมันมีแต่ทุกข์เพราะความอยากความต้องการความติดข้องนี้มันรักความสุขมันรักความสุขรักความปอใจตรงนี้มันทุกข์ มันก็นึกว่าตรงอื่นจะสุขกว่าตรงอื่นจะดีกว่ามันก็คิดไปเรื่อยไงมันก็อยากไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะคาอยู่กับสิ่งที่น่าเพลินน่าพอใจวิธีการที่จะละมันก็คือให้เห็นทุกไปเห็นทุกเยอะๆว่ามันเป็นของที่ต้องหมดไปแหมได้อันใหม่มาเราก็บอกมันอีกได้อันใหม่มาไปนะครับอันใหม่ก็เป็นของที่ต้องหมดไปแหมชีวิตมนุษย์นี่มันทุกแท้เนาะได้เป็นเทพก็คงดีล้ มันก็ยากไปเราก็สอนมันต่อไปอีกได้เป็นชีวิตเทวดาก็ต้องหมดไปไปเป็นพรหมก็น่าจะดีกว่าแล้วนะเป็นไหมครับก็ต้องหมดไปนี่อย่างนี้ทานองนี้มันฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราสงบมันก็จะน่าจะดีแล้วนะ right. มันว่าไปนะเอาละฟุ้งซ่านมันก็เป็นของที่ต้องหมดไปถ้าได้สงบมาเป็นไหมครับมันก็เป็นของที่ต้องหมดไปนี่อย่างนี้ เราก็ค่อยๆตามมันไปเรื่อยๆตามมันไปเรื่อยๆตั้นหามันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนมันไปต่อไม่ได้นั่นแหละมันจึงจะสิ้นไปนี่อย่างนี้ทั้งหมดทั้งทุกภพภูมิทั้งกาลภูมิรูปภูมิอรูปภูมิจะแค่ไหนมันก็ทุกหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่รู้จักไม่สอนมันเนี่ยมันก็ไม่เลิกนีตอนนี้พูดให้ฟังให้ท่านนําไปสอนมันนะทุกท่านก็เลยต้องทําให้ดีแล้วก็ให้รู้ว่าดีมันต้องหมดไป ตัณหามันก็จะไม่อยู่กับดีมันก็ต้องทำให้มันสงบสูงขึ้นแล้วก็รู้ว่าสงบนั้นมันก็สิ้นไปหมดไปทำให้มันดีสูงขึ้นสงบดีขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องหมดไปเหมือนกันหมดไปหมดไปหมดไปนี่มันเป็นอย่างนี้เราทำให้มันหมดทำให้มันรู้ว่ามันต้องหมดถ้าไม่ทำขึ้นมามันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรให้รู้เราก็เลยต้องทาขึ้นมานะ อย่างนี้เราทำสมาธิขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสมาธินั้นมันต้องหมดถ้าไม่ทำสมาธิมันจะรู้ไหมมันไม่รู้ว่ามันต้องหมดเหมือนเราไม่มีเงินเราจะรู้ไหมว่าเงินมันต้องหมดไม่รู้เพราะมันไม่มีเงินเราก็เลยต้องไปหาเงินมาหามาเยอะๆนะหามาหาหาม า, า, มาไม่ว่ากันหามาทำอะไรหามาให้มันหมดเออมันจะได้รู้รู้ว่ามันจะได้หมดไงไม่ได้หามาเพิ่มเยอะๆนะ งงแล้วทีนี่นี่เขาหามาให้มันสิ้นกิเลสเนี่ยมันสิ้นตัณหาเขาบอกอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่ยอมนะตัณหาเนี่ยเหมือนเราบอกว่าโอ๊ยไม่มีหนังสือหนังสือมันก็หมดไปมันไม่ยอมนะเราก็ไปหาหนังสือมาเล่มหนึ่งแง่ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วแล้วก็บอกมันอันนี้อะไรเนี่ยของรู้จักหมดแง่อย่างนี้พอเข้าใจไหมแล้วมันก็หมดจริงๆซะด้วยมันก็ได้เรียนรู้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นั่นแหละเราก็เรียกได้ว่าปฏิบัติ เป็นความรู้ปฏิบัติเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติเนะี่ยเอามารู้รู้ว่ามันเป็นของรู้จักหมดเป็นของไม่เที่ยงมีอนิจจลรักษณะอยู่ในนั้นมีทุกขารักษณะอยู่ในนั้ น, ม, น, น, น, นมีอนัตตลักษณะอยู่ในนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามทุกๆอย่างเอามาเรียนเอามาเรียนก็เพื่อจะให้มันไม่ยากนั่นเองเพราะว่าถ้ามันไม่รู้นี่มันจะยาก ได้อันนี้แล้วมันก็ไม่พอมันก็จะอยากได้อันโน้นมันก็นึกว่าอันโน้นจะดีแล้วก็ต้องไปรู้อันโน้นมันก็จะอันโน้อันโน้นไปเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะหลายท่านก็ได้มาหลายหลายแล้วนะได้หลายแล้วเป็นไงหมดอยากหรือยังครับยังไม่หมดก็เพราะยังไม่ได้เรียนรู้นั่นเองต้องรู้ให้พอพอที่จะหมดอยากถ้าไม่หมดก็ยังไม่พอนี่พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้ก็เหมือนกินข้าวแหละ ถ้าท่านไหนยังกินอร่อยอยู่ก็ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ท่านต้องไปรู้ต้องไปกินข้าวแล้วก็ต้องรู้จักว่ากินแล้วเนี่ยมันรู้จักหมดนะกินลงไปเนี่ยความสวยงามที่อยู่บนอาหารเนี่ยแค่เข้าไปในปากเนยมันเหลือไหมไม่เหลือแล้วมันเละไปหมดแล้วในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปนะสักหน่อยมันก็ย่อยย่อย่อยย่อยหล่อเลี้ยงร่างกายโน่นนี่นั่นสักหน่อยมันก็กลายเป็นอุจจาระออกไปกดน้ํา รืดลงไปหมดไหมหมดทั้งนั้นแหละจนกระทั่งแม้ร่างกายเราก็หมดเหมือนกันให้เรารู้จักอย่างนี้ต่อไปนี้เราก็จะใช้ชีวิตแบบรู้จักหมดแล้วต่อไปเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราก็จะเอาชีวิตที่มีอยู่นี้มาเดินมักเพื่อให้ถึงนิพพานต่อไปแต่ถ้าใช้ชีวิตตามตัณหานี่มันจะไม่รู้ข้อแท้จริงอันนี้มันก็แหม อันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปเอานั้นต่อกินอันนี้เสร็จแล้วอ้าวก็ไปกินอันนั้นก็ไปกินอันโน้นไปโน้นโน้เราก็ไม่มีเวลามาเจริญมรรคสัก ท, ทีเพราะว่าไอทําตามตันหามันก็เสียเวลามือนกันเจริญมรรคมันก็เสียเวลาเหมือนกันเราเสียเวลาหมดไปกับตันหาแล้วสนองความอยากแล้วสนองโน่นนี่นั่นอยากได้นั่นได้นี่ไปแล้วเวลาเจริญมรรคมีไหมครับเนี่ยไม่มี wort. ทั้งๆที่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนียนะ ทำใน ก, กิจกรรมเดียวกันนี่แหละแต่มันไปสนองความอยากซะแล้วมันก็หมดเวลาไปแล้วนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะเราก็เลยต้องใช้สัมมาทิฏฐิมาดักคอมันว่าเนี่ยมันของรู้จักหมดนะเนี่ยที่ทานอาหารเพื่ออย่างนี้ก็ข อ, ของเนี่ยกินไปมันก็แก่เหมือนเดิมแหละตายเหมือนเดิมนะฉะนั้นจะกินอีกเท่าไหร่กินให้มันตายไปงั้นแนหะเราก็ต้องรู้จักไม่จะกินแล้วมันจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะกินเนี่ย เราทานอาหารเนี่ยก็เป็นของรู้จักหมดนะตอนนี้มันทานลงไปแล้วก็ถ่ายออกได้ต่อไปทานลงไปแล้วมันจะถ่ายไม่ออกต่อไปทานไม่เข้าด้วยซ้าไปพิจารณาด้ยสินะพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความติดใจในอาหารมันลดลงเราจะได้ไปเจริญมรรคพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทต่อไปเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้สัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าในการนําเข้าไปสู่มรรคตอนอื่นนะจะได้คิดถูกต้องคิดเนกขมะไปนิพพานต่อไปจะได้สํารวมระวังไม่อย่างนั้นแล้วโอ้ยชีวิตของเรานี่นะก็เรียกว่าสนองตันหาทําเพื่อตัวเพื่อตนทําเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อนโน่นเพื่อนี่เนี่ยพวกเราทํามานานจนจะหมดชีวิตชีวิตแบบนี้ก็เรียกว่าศูนย์เปล่าเป็นชีวิตที่เป็นโมฆะ ต่อการไปนิพพานนะพวกเราจะไม่ให้มันเป็นโมฆะอย่างนั้นเราก็เลยต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวพิจารณาเข้าไปรู้จักว่ามันเป็นของรู้จักหมดนะอาหารกินเข้าไปมันจะสวยงามอย่างไรมันก็รู้จักหมดแม้กระทั่งตัวเราผู้กินอาหารเนี่ยก็รู้จักหมดรู้จักหมดลมหมดลมหายใจต่อไปอาหารมันจะกินไม่เข้าโด้วยซ้าไปเราจะมัวมาอร่อยอย่างนี้ทําไมอย่างนี้ ก็ค่อยๆพิจารณาดูก็จะเข้าใจนะต่อไปที่กินทางปากเคี้ยวได้เนี่ยต่อไปจะเคี้ยวไม่ได้นะรู้จักไหมนี่ต่อไปมันจะเคี้ยวไม่ได้อ น, ะนี่ต่อไปพอเคี้ยวไม่ได้กินทางปากไม่ได้เขาก็เจาะคอกินเข้าไปก็กินได้แต่ของเหลวๆต่อไปกินไม่ได้ทุกทุกระดับมันเลยนะมันก็พังหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่สัมมาทิฏฐิรู้จักทุก รู้จักเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกคือตัณหาความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะโดยเฉพาะถ้าพวกเราก็พื้นๆก็กำ ม, มาตัณหาติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอาหาร อ, ร, อร่อยนอนสบายเราจะนอนไปอีกเท่าไหร่นอนแล้วมันจะดุยยขึ้นไหมจะอายุยืนขึ้นไหมมีไหมนอนแล้วอายุยืนขึ้นมีไหมไม่มีแล้วนอนทําไม ก็นอนไงนอนให้มันมีความสุขแล้วคนมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะการนอนมีไหมไม่มีแล้วนอนทำไมเนี่ยเนี่ยนายมันค่อยคอย่คอยถามมันค่อยๆ ย, ย้อนมันไปเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็จะเข้าใจว่านอนเนี่ยมันก็มีวันหมดนะต่อไปมันจะหมดลมหายใจแล้วมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะตายแล้ยังเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ให้นอนแต่พอดีเพื่อจะได้มาเจริมมัคต่อไปให้มีสัมมาทิฏฐิ ไม่งั้นการนอนของเราก็จะคอยไปสนองแต่ความอยากคิดว่าจะมีความสุขจากการนอนอยู่นั้นน่ะนอนให้มีความสุขนอนให้พักผ่อนยันใจนอนให้เบิกบานใจสบายใจเบาใจก็คิดอยู่อย่างนั้นน่ะคิดอยู่อย่างนีน้ตั้งนานแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะนี่อันนี้แหละคือมิจฉาทิฏฐิเราต้องเอาสัมมาทิฏฐิมาบอกสอนมันไม่งั้นมันก็จะติดมันเดิมนี่นีน่ต้องสอนมันให้รู้จักว่ามันรู้จักหมด พอมันสอนมันอย่างนี้มันเห็นว่าเป็นทุกตัณหามันจะกลัวทุกข์นะตัณหามันไม่ชอบนะก็เหมือนนิสัยเราเลยตัณหาเนี่ยนิสัยเดียวกับเรานั่นแหละนิสัยอาวิชาความไม่รู้จากทุกข์เนี่ยมันจะอยากนะพวกเราก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยเราจะอยากไปไหมครับไม่อยากไปแล้วนะอย่างนี้นะรู้ว่าหมดไปมันก็สยองแล้วมันไม่ไปต่อนะอย่างนี้ ที่มันมีตัณหาอยู่ก็เพราะว่ามันเพลินมันมีความสุขสนุกสนานอยู่นั่นแหละเนี่ยกามาตัณหาภาวะตัณหาอยากมีนั่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คงที่อยู่ตลอดไปก็เพราะมันนึกว่ามันจะไม่มีวันหมดนั่นแหละแท้ที่จริงแล้วใครจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนโตกว่าเราตั้งมากเงินเยอะกว่าเราตั้งมากอานาจเยอะกว่าเราตั้งมากที่ดินก็เยอะกว่าเราตั้งมาก เป็นไงครับเหลือไหมไม่เหลือแล้วยังไงล่ะเราไม่ไม่เหลือเหมือนกันนี่แหละสมาธิเยอะกว่าเราตั้งมากปัญญาเยอะกว่าเราตั้งมากอะไรตั้งมากนี่ไม่เห็นเคยเหลือสักคนแล้วเราจะเหลืออะไรเนี่ก็พิจารณานะเนี่ยรู้จักทุกเนี่ยมันจะทําให้คลายตัณหาได้คลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความ อยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ที่บีบคั้นหัวใจเราอยู่ไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากเจอภาวะนี้ไม่อยากอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรแต่ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันของรู้จักหมดมันไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากอะไรทั้งนั้นแหละมันของรู้จักหมดอยากอยู่นานๆมันก็รู้จักหมดอยากจะไม่อยู่มันก็รู้จักหมดมันเป็นอย่างนั้นนะ สุขเนี่ยเราอยากให้มันอยู่นานๆมันก็รู้จักหมดทุกข์เราไม่อยากให้มันอยู่มันก็รู้จักหมดแล้วไปอยากทำใหม่อะไเนี่ยให้มันบีบขันหัวใจเราแล้วเกิดใหม่หมุนอยู่อย่างเงี้ยนะนี่เห็นไหมฉะนั้นความอยากมันจะเกิดจากวิชาเท่านั้นเองถ้าเรามีวิชาแล้วมันจะอยากไม่ลงแล้วเราก็เลยต้องฝึกให้มันมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะให้รู้จกักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์เนี่ยความดับทุกข์ก็คือสิ้น ทั้งทุกข์ทั้งเหตุเกิดทุกข์ทุกนี้มันเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากถ้ารู้จักทุกข์แล้วความอยากไม่มีความอยากไม่เกิดความไม่เกิดของทุกข์ความไม่เกิดของเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์ทุกขะนิโรธะี่ให้เรารู้จักอันนี้นะรู้จักให้รู้จักพอรู้จักพอดีรู้จักพอดีแล้วความอยากก็ไม่เกิดนะ ความอยากไม่เกิดความอยากดับไปทุกใหม่ก็ไม่มีมันก็ดับทั้งสองอันดับกันอย่างนั้นเเป็นอย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเราเนี่ยใช้มาจนจะดับแล้วแต่ตันหาไม่ดับก็ได้ชีวิตใหม่มาตาของเราใช้มาจนจะตาบอดแล้วแต่ความอยากยังไม่หมดก็ได้ตาใหม่ามาแต่ถ้าเรารู้จักตาเนี่ยมันของรู้จักดับนะมันของรู้จักหมดนะแล้วหมดตัหาด้วยตัน ตาใหม่ก็ไม่มีตัณหาก็ดับมันก็ไม่มีอะไรมันก็ดับทุกข์แล้วดับทุกข์ด้วยดับเหตุเกิดทุกข์ด้วยแรกแรกก็ดับเหตุเกิดทุกข์ก่อนคือดับกิเลสก่อนนะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราก็ดับกิเลสก่อนกิเลสปริญญิพานก่อนต่อมาก็ดับขันนะพวกเราก็คล้ายกันก็ให้ดับกิเลสก่อนดับตัณหาก่อนแต่นี้จะดับตัณหามันก็ดับโดยกันรู้จักทุกข์รู้จักมันจะได้ไม่อยากนีอย่างนี้ทํำนองนี้นะ อันนี้ก็เหมือนเราทุกท่านนั่งฟังธรรมเนี่ยนั่งฟังธรรมนะตอนนี้หลายท่านก็อยากจะลุกแล้วก็ไม่เป็นได้ให้เรารู้จักรู้จักว่าเออจะลุกได้ก็ต่อเมื่อต้อง11บเอโมงครึ่งนะมันรู้จักพอมันรู้จักมันก็ไปไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวอีกตั้งหนึ่งนาทีมันก็เลิกอยากแล้วเพราะมันรู้มันรู้ถ้ามันไม่รู้มันก็จะอยากอยู่งั้นโอ้เมื่อไหรจะเลิกก็ตีวอ้โอ้โอมันวุ่นวายแต่พอมันรู้แล้ว อยากไปก็ปล่าประโยชน์เพราะว่าอาจารย์จะเลิก11บเอครึ่งอ้าวทีนี้มันก็เดี่ยงแล้วมันไปไม่เป็นคลายกันเลยต้องรู้จากทุกสักก่อนเห็นไหมเนี่ยต้องรู้จกักว่าของมันรู้จักหมดนะหมดเมื่อถึงเวลาของมันนะฉะนั้นไปอยากมันก็กวนใจเราเฉยเฉยแล้วจะอยากให้มันกวนใจทําไมเนี่ยอยากให้มีอยากให้เป็นไม่อยากให้มีไม่เป็นแล้วก็นี่ก็ไม่เกี่ยวกับอยากไม่อยากให้อยากมันกวนใจเราให้เป็นทุกข์แถมได้ทุกใหม่มาด้วย มันไม่คุ้มกันเลยเห็นไหมนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเรารู้จักอย่างนี้อยากมันก็ดับลงทุกมันก็ต้องดับอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากของเก่าของใหม่มันไม่มีมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่เราก็มาสู่ทางข้อปฏิบัติของเราว่าอ๋อนี่แหละข้อปฏิบัติต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้นะคือมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐินาเข้ามาแล้วต่อไปเราก็ไปทาให้มันเต็มสมบูรณ์ก็คือ สัมมาทิฏฐิส่วนใดยังไม่เต็มก็ตําเพิ่มเข้ามาให้มันเห็นให้ชัดขึ้นชัดขึ้นตัณหามันก็จะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยสัมมาสังกปร์ก็เติมเข้ามาสัมมาวจาสัมมากัมมันตะและด้านจิตอื่นๆก็เติมเข้ามาเพื่อเสริมกันนะเสริมกําลังตรงนี้เรื่องเดียวกันนี้แหละแต่เพื่อเสริมกําลังกันเข้ามาเป็นตัวช่วยกันเข้ามาช่วยหัวหน้าลูกน้องทั้งหลายก็ที่มาช่วยก็มาช่วยหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนทับหน้าไปกลุยทางไป ไปลบกับค่าศึกลูกน้องทับหลังทั้งหลายทับหลวงต่างๆก็มาช่วยที่มาช่วยนี้ไม่ใช่ช่วยอะไรก็ช่วยทับหน้าให้มันค่าค่าศึกได้นั่นแหละก็อันเดียวกันนี่ถ้าเรารู้จักวิธีอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็จะถูกต้องอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอ่อันนี้ทํำลองนี้เนี่ยท่านฟังจนเลิกอยากเลยเห็นไหมสิบเอ็ดโมงครึ่งเลยเห็นไหมพอรู้จักแล้วมันจะไม่อยากนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ทุกท่านก็เลยต้องหัด หัดรู้จักสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นของรู้จักหมดเริ่มต้นจากลมหายใจของเราเวลาก็เป็นของรู้จักหมดไม่ต้องอยากให้มันอยู่หรือไม่อยากให้มันอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะมันของรู้จักหมดเราก็รู้อยู่แล้ววันวันหนึ่งเนี่ยมันก็รู้จักหมดวันเหมือนกันเราจึงไม่ต้องอยากให้วันนี้มันอยู่หรือไม่อยากให้วันนี้มันอยู่เพราะมันไม่มีประโยชน์มันกวนใจเราแค่นั้นเองอยากไหมเนี่ยอันนี้แหละที่มันยากนะ เข้าใจไหมอย่างนี้อย่าลืมไปฝึกปฏิบัตินะฝึกอันนี้แหละไม่ต้องอันอื่นนะหรือว่าเราจะฝึกแอบทำแล้วเอาไวแอบทาเรื่องนี้นะอย่าไปแอบหลับน ะ, อ, ะอย่างนี้ทำลอง น, นี้นะครับเอาละบรรยายช่วงเช้าก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ